สียะวะ 8 รูปิยสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะเรื่องพระอุปนันทะ หากของเคลียวของฉันอันใดนั้นเขาก็จะเก็บของ เธอจงให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กจงให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กเราจะ เมื่อวันวานในเวลาเย็นได้พวกข้าพเจ้าได้เก็บเนื้อนั้นไว้ว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่ ท่านบริจาคทรัพย์ 1 กหาปณะแก่ พวกภิกษุได้ยินบุรุษนั้นตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุม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 เรื่องพระอุปนันทะสาคยบุตรจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ พระองค์ถึงวัตถุที่มีสีรูปราชวีของพระศาสดาที่ชื่อว่าเงินได้แก่กะหาปนะมาศกที่ทําด้วยโลหะมาศกที่ทําด้วยไม้มาศกที่ทําด้วยเครื่องที่ใช้เป็นอัตราสําหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคําว่ารับคือภิกษุรับเองต้องอาบัติ คือภิกษุให้ วิธีสละโรปิยะที่เป็นนิสสัคคีภิกษุรูปนั้นพึงเข้า ภิกษุผู้ชราสามารถพึงรับอาบัติถ้าคนงานวัดหรืออุบาสก ถ้าเขานํารูปียะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายยกเว้น คุณสมบัติของภิกษุผู้ทิ้งรูปียะ 5 าง. 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ 5 รู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งวิธีแต่งตั้งภิกษุผู้ทิ้งและคําแต่งตั้ง เบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรง ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ ถ้าทิ้งโดยกําหนดที่ตกต้องอาบัติทุกกฎบทภาชณีติกะ ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์ภิกษุสําคัญว่าเป็นรูปิยะต้องอาบัติทุกกฏสิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะภิกษุภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ 1 ภิกษุหยิบ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุต้น 8 จบ กสิยวัค 9 รูปียะสังโวหารสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปียะเรื่อง พวกชาวบ้านพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าต่างๆเหมือนพวกคฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามเล่าพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตําหนิประณามโพนทนาบรรดา คันภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุชาภคีโดยประการว่าภิกษุ พวกเธอทําการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปียะ หรือทำคนที่เลิ่มสายอยู่แล้วให้เลิ่มสาย Y ขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกสุทั้งหลายยกศิฟาบท นิurer ขึ้นแสดงดังนี้พระบัรยัฐก็ใดทำการแ substance ด้วยรูปยะชนิดต่างๆต้องอาบัจนิศั ฒarre chapters ตีเรื่องพระ ชพัorship คีจกศ คือผู้ใดคือผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อ ที่ชื่อว่าเป็นรูปพรรณได้ วัตถุที่มีสีดุจพระชวีของพระศาสดากหาปนะมาศกที่ แลกเปลี่ยนกับรูปิยะ เอารูปิยะที่ไม่ <du> <receptors>. อรูปิยะที่เป็นทั้งรูปปพรรณและไม่เป็นรูปปพรรณแลแปรนกับรูปิยะที่เป็นทั้งรูปปพรรณ กราบบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือๆรูปียะนี้ของกระผมเป็นนิสัคคีกระผมฉละรูปียะนี้แก่ ถ้าเขาถามว่าจะให้กระผมนําสิ่งนี้รูปิยะนั้นไปแลก ถ้าทำไม่ได้พึงบอกเขาว่า 5 อย่างให้คือคุณสมบัติ 5 อย่าง 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม แฮรู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้ง ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนี่ ภิกษุชื่อนี้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ แลกเปลี่ยนรูปียะต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์รูปียะภิกษุไม่ สิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะภิกษุไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนรูปิยะต้องอาบัตินิสัจคิยปาจิตตีย์สิ่งที่ไม่ ภิกษุไม่ 2 โกสิยวัค 10 กะยะวิกะยะสิกขาบทว่าด้วยการซื้อขายเรื่องพระอุปนันทะ ท่านได้เอาผ้าเก่าๆทําสังฆาฏิแล้วย้อมจัดแต่งอย่างดีๆแลกกับผ้า ปริพาชกตอบว่าข้าพเจ้ารู้ขอรับท่านพระอุปนันทะสาคยะบุตรตกลงให้ไป สังคาติผืนนี้จะทนอยู่ได้สักจงให้ผ้าของเราคืนมา ไทม บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าฉะไหน ลามดาบนั้นพระผู้มีพระภาคจริงหรือท่าน การกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใส สิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงๆได้แก่จีวร และกีฬาณปัจจัยเพศัพบริขารโดยที่สุดกระทั่งก้อนจุนไม้ชมระฟันหรือได้ชายผ้า ก็ต่อเมื่อสิ่งของของตนตกไปอยู่ในมือของคนอื่นต่อเมื่อสิ่งของของตนตกไปอยู่ใน ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสมภรมอุตราสงฆ์ รับรับอาบัติแล้วพึงคืนเสียงของที่เธอสละให้ด้วย กราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือว่าท่านผู้เจริญกระผมทําการซื้อขายมีประการต่าง สิ่งของนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัทธิ สิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสัจฉีกระผมสละสิ่งของนี้แก่ ต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตีเป็นการซื้อขาย ไม่ได้เป็นการซื้อขายเป็นการซื้อขายภิกษุสําคัญว่าไม่ กยจบโกสิยวัคจบรวมสิกขาบท 10 สิกขาบทคือ 1 โกสิยสิกขาบทว่า 3 ทเวภาคะสิกขาบทว่าด้วยการทําสันธัดโดยใช้ขนเจียมดํา 2 ส่วน 4 ฉัพพัสสะสิกขาบทว่าด้วย 6 ปี 5 นิสีธนะสันธตะสิกขาบท 6 เอลกะโลมะ 7 เอละกะโลมะโทวาปณะสิกขาบทว่าด้วยการให้สักขนเจียม 8 รูปิยะสิกขาบท